อีกเรื่องหนึ่งนะผูริทตะจริยาภูริทตะจริยาพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคเมื่อกี้เนี่ยนาคคําว่านาคนาคศัพท์เนี่ยนะแปลได้หลายอย่างแปลว่างูก็ได้แปลว่าช้างก็ได้แปลว่าพระภิกสุก็ได้นะแปลว่าพระภิสุก็ได้คือนาคแปลว่าแปลว่าประเสริฐเนี่ยนะแปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้แปลได้หลายอย่างในที่นี้แปลว่างู ในการนั้นเมื่อเราเป็นพญานาคคือพญางูชื่อว่าภูริทัตตมีฤทธิ์มากเราได้ไปยังเทวโลกพร้อมกับเท้าวิรูปักมหาราชคือเขาในเทวดาชั้นจาตุ้มเนี่ยนะมีเท้ามหาราชอยู่4ท่านท้าวิรูปักเนี่ยดูแลปกครองพวกกลุ่มพวกนาคทั้งหลายเพราะนั้นเวลาท้าวิรูปักเข้าไปเฝ้าเท้าสั ก, กะในดาวดึงก็พาเอาภูริทัตต์นาคราชไปด้วย ในเทวโลกนั้นเราได้เห็นทวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวนะพอเห็นเขามีความสุขแล้วทำไงจึงสมาทานศีลสมาทานวัดเพื่อต้องการจะไปยังสวรรค์นั้นไอไปเที่ยวนี่ได้ไปแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้อยู่จริงๆก็อยากจะอยู่อยากจะอยู่ในสวรรค์ได้ทำไงก็มาสมาทานศีลสมาทานวัด แต่อันนี้คือคือลักษณะเบื้องหน้าของท่านะนะแต่พระโพธิสัตว์อย่าลืมว่าอย่างน้อยที่สุดท่านมองทุกอย่างมองประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนี้ยกตัวอย่างแค่ประโยชน์โลกหน้าให้ฟังจริงๆแล้วท่านต้องการประโยชน์อย่างยิ่งคือสัพพัญยุตยา น, นั่นแหละเพราะนัเราจึงชำระร่างกายมาถึงก็ชำระร่างกายบริโภคอาหารพอเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแล้วอธิษฐานอุโบสถมีองค์สประการ อุบสถมีองค์4ปกติอุบสถทั่วไปมีองค์8แต่นี้ก็อุบสถองค์8นี่แหละแต่ว่าตั้งไว้ด้วยคุณธรรม4ประการว่าผู้ใดพึงทํากิจด้วยผิวหนังก็ดีขอผู้นั้นจงเอาผิวหนังนี้ไปเถิดผู้ใดต้องทํากิจด้วยเนื้อขอผู้นั้นจงเอาเนื้อไปไปเถิดผู้ใดต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปผู้ใดต้องการกระดูกขอผู้นั้นจงเอากระดูกนี้ไปเถิด เขาเรียกว่าสระหนังสระเนื้อสละเอ็นและสระกระดูกแล้วตัวเองก็ไปนอนอยู่บนยอดจอมปลวกนะนะนอนอยู่บนจอมปลวกด้วยนะทำไมนี้มีร้านอาหารที่เป็นอาหารสัตว์ป่าใช่ไหมมีงูทั้งหลายเนี่ยอาจจาะพระโพธิสัตว์มาอุทิศร่างกายนะใครต้องการนังก็เอานังไปทํากระเป๋าหนังงูก็ว่ากันไปใครต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปต้มไปต้มไปยําไปทําแกงอะไรก็ทําไปใครต้องการเอากระดูกไปทําอะไรก็เอาไป สละหนังสละเนื้อสละเอ็นสละกระดูกแล้วก็นอนอยู่บนยอดจอมปลวกอธิษฐานสมาทานอุโบสถนอนจำศีลว่างกันแถอะนอนจำศีลอยู่นั่นแหละก็ไม่อะไรในร่างกายเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเลยสละเขาบอกว่าคําว่าเนื้อนี่บวกด้วยเลือดด้วยนะบวกเลือดด้วยสละเลือดใครต้องการเลือดก็เอาไปครั้งนั้นพราหมณ์อารามพายอันบุคคลผู้ไม่รู้อุปการะ ที่บุคคลอื่นทําแล้วบอกให้คือมีคนอักตันยูเนี่ยไปบอกอาัมำพายให้ในพรามอารลำพายพรามอารลำพายก็จับเสาจับเราเนี่ยใส่ไว้ในตะกรา้าแล้วก็ให้เราเนี่ยไปเล่นเล่นกีฬาในที่ต่างๆเป็นอะไรนะระบํางูให้เราไปเล่นเล่นระบํางูเวลาอย่างสมัยนี้เห็นบ่อยๆใช่ไหมซุ้มข้างถนนเป็นต้นจะมีการแสดงด้วยงูต่างๆะนะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีประเพณีสืบทอดมาจากสมัยโ บ, บราณเนี่ยนะ แม้เมื่อพ า, อามอลมพายใส่เราเอาไว้ในตะ ก, กรา้าแม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะเรากลัวศีลจะขาด <c oughs> การที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่ายา่าเรียกว่าถอนยา่ากับสละชีวิตไม่ได้ยากเท่าไม่ได้ยากกว่ากันเลยว่างั้นการสละชีวิตเป็นของง่าย นนะให้ชีวิตเป็นทานนี่เหมือนกับให้หญ้าเป็นทานไปไม่ไหนมีอะไรอวบนอะไรแต่การล่วงศีลของเรานี่เป็นเสมือนดังว่าแผ่นดินหนักแน่นใครจะพลิกแผ่นดินได้ไหมยากฉันใดนี่ที่จะล่วงละเมิดศีลก็ไม่ใช่ฐานะฉันนั้นเราพึงสละชีวิตของเราเนี่ยนะสิ้นร้อยชาติเนืองๆเราไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสีถึงจะให้เราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วให้เราทาลายศีลเราก็ทาไม่ได้เหางนน ถึงแม้เราจะถูกพราหมณ์อาลัมพาย์ใส่ไว้ในตะกร้าเราก็ไม่ได้มีจิตทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อจะรักษาศีลเพื่อบาเพ็ญศีลบารมีให้เต็มชนี้แลเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้ถือว่าคุณธรรมที่สาคัญที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ายอมสละสละอะไรยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเนี่ยนะสละชีวิตได้ง่ายเหมือนก่า พอๆกับหญานั่นแหละแต่ว่ารักษาศีลนี่มั่นคงหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะถามว่าทำไมท่านจึงชื่อว่าภูริทัตตา น, นะภูริทัตตานี่ก็เนื่องจากว่าภูริปกติภูริแปล ว, ว่าแผ่นดินทัตตานี้เป็นชื่อเดิมเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินจึงชื่อว่าภูริทัตต์ชื่อเดิมของท่านที่พ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ตั้งให้ในครั้งนั้นชื่อจริงชื่อวัทะตะ มีผู้ให้มาว่าไงนะ่าตะเนี่ยแปลว่าให้นะก็พระโพธิสัตว์นั้นวินิจฉัยปัญญาวินิจฉัยปัญหาด้วยปัญญาที่เกิดในนาคพิภพในพิภพของท้าววิรูปักมหาราชและนดาวดึงพิภพเมื่อท้าววิรูปักมหาราชไปเมืองไตรทศกับบริษัทนาคแล้วก็นั่งล้อมท้าวสกตะตั้งปัญหาขึ้นในระหว่างถวยเทพใครใครก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้ พระโพธิสัตว์นั่งอยู่บนบัลลังก์อันประเสริฐซึ่งเท้าสักกะอนุญาตจึงแก้ปัญหาอันนั้นลำดับนั้นเท้าเทวราชจึงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ของหอมอันเป็นทิพย์แล้วกล่าวว่าทัตตะท่านผู้มีปัญญามากเสมอด้วยแผ่นดินตั้งแต่นี้ไปท่านชื่อว่าภูริทัตตะเพราะว่าภูริเป็นชื่อของแผ่นดินเพรา ะ, ะนั้นพระโพธิสัตว์จึงชื่อว่าภูริทัตตะ เหตุผลที่ชื่อว่าภูริทตะก็เพราะว่าท่านนี้ยินดีแต่เนื้อความที่เป็นจริงเรียกว่าต้องการแต่ประโยชน์ที่เป็นจริงนะต้องการเนื้อความต้องการสาระต้องการประโยชน์ที่เป็นความจริงอันนี้เหตุผลที่1 2สองเพราะท่านมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินแล้วก็เพราะอ่นะเพราะท่านมีเนี่ยเสมอมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินขณะเดียวกันก็เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากประกอบด้วยฤทธิ์ของนาคราชใหญ่ด้วยประการชนี คือคําว่าภูริทัตต์เนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีปัญญามากในระดับมูนาคด้วยกันท่านก็มีปัญญาที่สุดท่านมีปัญญาถึงขนาดว่าแก้ปัญหาให้เท้าสักกะหรือพระอินท์ได้เพราะฉะนั้นพระอินเนี่ยตอบปัญหาไม่ได้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นพญานาคตอบปัญหาอันนั้นได้ก็เลยเรียกว่าภูริทัตตะประวัติของท่านในอดีตการในกัปนี่แหละก็อย่างที่รู้กันว่าเรื่องราวทั้งหมดของในเจริยาปิฎกเป็นเรื่องที่เกิดในกัปนี้นะ พระโอรสของพระเจ้ากรุงพารณสีถูกพระบิดาขับไล่ออกจากแว่นแคว้นไปอยู่ในป่ า, านะเป็นลูกพระราชานะพระราชาไม่ชอบก็ถูกไล่นี้ไปก็ไปอยู่กินกับนางนาคมานวิกาตนหนึ่งเมื่ออยู่ร่วมกันก็เกิดทารกสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งลูกชายก็ชื่อว่าสาครพรหมทัตลูกสาวชื่อว่าสมุตถชาเนี่ยนะสมุททชา ต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตพระโอรสเนี่ยจึงเสด็จไปไปกรุงพาราณสีและครอบครองราชสมบัติก็คือ อ, อะไรนพระราชโอรสที่ถูกพระราชาไล่ไปเนี่ยนะตอนหลังก็กลับไปครองราชสมบัติจริงๆแล้วก็ชวนลูกชวนมเหสีที่เป็นนาคไปด้วยแต่ว่านางไม่ยอมไป กลัวว่านางเนี่ยเป็นหน้าเป็นจิตใจนี่ก็โกรธเพราะถ้าไปโกรธมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็จะฆ่าไปหมดแต่ก็เอาเอาลูกไปก็แล้วกันเอาทั้งลูกชายและลูกสาวไปเอาทั้งพระเจ้าเอาทั้งสาคอนพรหมทัตแล้วก็สมุทชานี้ไปเลี้ยงนะพระองค์ก็ไปปกครองอยู่ในเมืองพารณสีครั้งนั้นเนี่ยที่เมืองนาคมีพญานาคนาคราชชื่อว่าทตรัตพญานาค พญานาคท่านนี้เนี่ยนะปกครองราชสมบัติอยู่ในนาคขภิพพเนื้อที่ประมาณห้าร้อยโยชน์เนี่ยนะาถือว่าเป็นแผ่นดินใหญ่มากในะในเมืองนาคนะเท้าตรท้าทัตรัฐฟังถ้อยคำที่เต่าชื่อว่าจิตจิตจุลเนี่ยนะผู้เลหลวไหลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะยกพระธิดาให้แก่ตนคือที่เมืองนาคเนี่ยที่พระราชาทัตรัสเนี่ยปกครองนาคอยู่เนี่ย มันมีเต่าตัวหนึ่งตกลงไปในเมืองนาคเต่าตัวนี้เนี่ยถูกนาคเขาจับเข้าไปเฝ้าพระราชาเต่ามันก็หลอกพระราชาว่าเขาเนี่ยเป็นทูตเขาที่เป็นทูตเนี่ยนะพระราชาเนี่ยส่งมาว่าจะยกลูกสาวให้แก่นาคเหมือนนเพราะฉะนั้นขอเชิญพระองค์เนี่ยไปรับเอาลูกสาวเธอ ก, ก็เรียกว่าสง่งนาคไปให้ส่งนาคไปนีก้ก็มีการสู่ขอตามธรรมเนียมะนะนาคกับมนุษย์ก็จะแต่งงานกัน ตอนหลังก็จริงๆนาเต่านี่มันหลอกนะนะเต่านี่ไปหลอกเต่านี่ไปหลอกนาคให้ไปขอลูกสาวพระราชาอ้างตัวว่าเป็นทูตจริงก็หลอกตอนหลังนี่เอาไปขึ้นบก็แอบดีไปที่อื่นทีนี้ตอนหลังพระราชาก็จะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ก็พญานาคนี่โกรธมากก็หาเรื่องหาเรื่องนะก็เนรมิตให้งูเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจนพระราชาจะต้องยกราชธิดาเนี่ยสมุทชานี่ให้ไป ก็ให้ไปเป็น <c oughs> มเหสีของท้าวทัตรัตเพราะว่าพระธิดาชื่อว่าสมุทชานี่มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสก็เลยส่งนาคมานบสี่ตนไปก็ขู่พระเจ้ากรุงพาราณสีผู้ไม่ปรารถนาจะยกพระธิดาให้ด้วยพิษนาคเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสว่าเราจะยกให้พญานาคทัตรัตก็ส่งเครื่องบรรณาการเป็นอันมาก ด้วยสำแดงฤทธิ์ของนาคที่ยิ่งใหญ่ด้วยบริวารเป็นอันมากนำพระธิดาของพระเจ้ากรงพาราสีไปสูน่นาคขพิภพแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมหาเสีต่อมาพ ร, อพระนางอาศายัยพระนางสมุทชาเนี่ยนะอาศัยเท้าทัตตรฐก็ได้พระโอรสสีองค์โอรสองค์ที่หนึ่งคือสุทัศนะที่สองทัตตะองค์ที่3 ส, สุโภคองค์ที่4ก็อริ t h ะ ในพระโอรสเหล่านั้นพระโอรสทัตตะเป็นพระโพธิสัตว์คือโอรสลูกที่สองเนี่ยนะลูกคนที่สองเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์อันเท้าสักกะมีจิตยินดีโดยนิยะดังกล่าวแล้วจึงปรากฏมีชื่อว่าภูริทัตตะเพราะเป็นชื่อที่เท้าสักกะประทานว่าภูริทัตตะเนี่ยนะให้เรียกชื่อว่าต่อไปเรียกชื่อว่าภูริทัตตะนะเพราะมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินเพราะสามารถแก้ปัญหาในหมู่นาคหมู่เทวดาได้ คั้งนั้นบิดาของโอรสเหล่านั้นก็แบ่งราชสมบัติให้ครองให้ครององค์ละร้อยยศนะนะก็มีเนื้อมีเมียนาจักอยู่500โยยศใช่ไหมก็แบ่งเลยหารหานไะหารห้า น, นี้พร้อมยศใหญ่แล้วก็ให้มีนางหน้าขกัญญาองค์ละ 16,00 งแวดล้อมพระบิดาก็ได้ราชสมบัติร้อยยศเหมือนกันนะก็แบ่งให้ลูก4ี่คนคนละร้อโยศก็เหลือไว้ให้พ่อร้อยยศ อรสทั้งสามนิเสด็จมาเยี่ยมพระบิดามารดาทุกๆเดือนเนี่ยนะคือสุทัศนนะสุโภคอริ tha เนี่ยจะเข้ามาเยี่ยมพ่ อ, พอแม่ทุกเดือนส่วนพระโพธิสัตว์เสด็จมาเยี่ยมทุก15วันก็คือครึ่งเดือนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยเสด็จไปอุปถากท้าวส ก, กะกับเท้าวีรูปักพระองค์ก็เห็นสมบัติของเท้าส ก, กะเป็นที่จับใจยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นเวชยันต์แต่ปราสาทสุธรรมเทพสภาต้นไม้สวรรค์บรรดุกำพลศิลาอาตมีเทพอับสรแวดล้อมเห็นสมบัติของเท้าสกา ก, ก็เลยคิดว่าแม้สมบัติประมาณเท่านี้ก็ยังหาได้ยากในอัตภาพของหน้านะถ้าเป็นพญานาคมันจะไปดียังไงเนี่ยสมบัติเหล่านี้ของเทวดาอย่างตัวเองไม่มีโอกาสได้เสวยบริโภคเลยขนาดสมบัติในเทวโลกยังจะหาได้ยาก จะกล่าวไปไย้ยถึงสัมมาสัมโพธิญาณเราจะได้มาจากไหนขนาดว่าดาววดึงยังไม่ได้เลยโพธิญาณจะได้มาอย่างไรก็เลยรังเกียดอัตภาพรังเกียจร่างกายของนาคิดว่าเราจะไปยังหน้าคัพพิภพรักษาอุโบสถประคับประคองศีลเท่านั้นศีลเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณศีล น, นี่แหละจะเป็นคุณพี่บ่มการตรัสรู้ อันแรบแรกนะเห็นว่าสีเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในสุคติลโลกสวรรค์เป็นเช่นกับเท้าสักกะขณะเดียวกันสีนี่จะเป็นเครื่องบ่มสัพพัญยุตยานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุสัพพัญยุตยานในเทวโลกนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านก็เลยกลับไปหน้าคพิภพทูลบอกพ่อแม่ว่าข้าแต่พระมารดาบิดาหม่อมชั้นจะรักษาอุโบสถ พระมารดาบิดาก็ตรัสว่าลูกจงอยู่จําอุโบสถในหน้าขภิพภูนี่แหละภัยใหญ่หลวงจกมีแกนน่นนาคผู้ออกไปภายนอกเพราะว่างูทั้งหลายก็มีอันตรายเยอะเหมือนกัน น, นะนะพวกงูพวกนาคก็มีอันตรายเยอะพระโพธิสัตว์ทําอย่างนั้นได้ครั้งเดียวแกรักษาอุโบสถอยู่ในวังนี่แหละวันรักษาอุโบสถก็ถูกนางนาคกัญยารบกวนก็บริวานเยอะแยะไปหมดใช่ไหมตัวเองรักษาศีลเพื่ อ, อพวกบริวาร นางนาคทั้งหลายก็มาชวนเที่ยวชวนเล่นชวนกินชวนดื่มก็สิ้นขาดเลยครั้งต่อไปท่านก็ไม่บอกพระมารดาบิดาตรัสเรียกแต่ภรรยาของตนมาสั่งว่านี่แนะ่น้องเรานี่จะไปยังมนุษย์โลกที่ฝั่งแม่น้ำยมุนาที่นั่นมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งไม่ไกลาจากต้นไทรนั้นเราจะขดขนดอยู่บนยอดจอมปลวกนอนอธิษฐานอุโบสถแล้วจะทารรอุโบสถกรรม ก็เรียกว่าทำอบอุบส์เรียกว่าเข้าอยู่จำศีลเข้าอยู่จำรักษาศีลท่านก็ออกจากหน้าค้าพิภพแล้วก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้ภาษารีบุตรเร า, เาว่าเรานี้ไปยังเทวโลกพร้อมกับเท้าวิรูปักมหาราชในเทวโลกนั้นเราได้เห็นถวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวเราจึงสมาทานศีลสมาทานวัดเพื่อต้องการจะไปสวรรค์นั้น เราชำระร่างกายบริโภคอาหารพ อ, อยังชีวิตให้อยู่ได้อธิษฐานอุโบสถมีองศีว่าผู้ใดต้องการด้วยผิวหนังก็ดีผู้ใดต้องการด้วยเนื้อก็ดีผู้ใดต้องการด้วยเอ็นก็ดีต้องการด้วยกระดูกก็ดีผู้นั้นจงเอาเอาวัยวะที่เราให้นี้ไปเถิดแล้วก็นอนอยู่บนจอมปลวกเนี่ยนะแค่ว่าให้เลยยกให้หมดเลยก็ พูดถึงพญานาคเนี่ยนะที่ไปที่เมืองสวรรค์ใช่ไหมไปเห็นว่าสวรรค์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ภูมิสุขโดยส่วนเดียวเป็นผู้เพียบพร้อมพรั่งพร้อมไปด้วยความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์เนี่ยนะความสุขในสวรรค์แม้เพียงจะพูดก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายนั ก, ก น, นะจะพูดว่าจะอธิบายถึงความสุขในสวรรค์ก็ไม่ใช่จะเล่าให้ฟังกันได้ ง่ายๆและพระองค์ก็เปรียบเทียบ ว, ว่าสมบัติของจักรพรรดิที่เพียบพร้อมไปด้วยรัตนเจ็เป็นต้นอันนั้นก็ยังไม่ได้เศษเสี่ยวของสวรรค์เลยว่าไงทีนี้พอท่านเห็นว่าแม้กระทั่งความสุขในสวรรค์นี่ก็เป็นความสุขที่ได้โดยยากในเมืองหน้าทํำยังไงที่จะได้รับความสุขเหล่านั้นขณะเดียวกันยังไงจะได้เป็นคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณท่านก็เลยบอกว่าจะต้องสมาทานศีลเนี่ยนะสมาทานศีล ศีลของท่านคืออะไรบ้างศีลก็คืออุโบสถศีลขณะเดียวกันก็สมาทานวัดสมาทานวัดคือการถือมั่นในการบริจาคอวัยวะเป็นต้นว่าผู้ใดต้องการหนังจงเอาไปเถิดผู้ใดต้องการเนื้อต้องการเลือดต้องการเอ็นต้องการกระดูกต้องการอย่างอื่นในสรีระนี่เอาไปเถอดก็เลยเรียกว่าสมาทานอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์สีอธิษฐานอุโบสถประกอบไปด้วยองค์สีสละ ผิวหนังสละเนื้อสละเอ็นสละกระดูกบทว่าฮาราตุโสขออะนะผู้ใดต้องการผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดผู้นั้นก็จงเอาอเอาเอาวัยวะเหล่านี้ไปเถิดคือผู้ใดมีกิจเพึ่ทําด้วยผิวหนังเป็นต้นเหล่านี้ขอผู้นั้นจงถือเอาอวัยวะที่เราให้นี้ไปทั้งหมดเพราะเหตุนั้นท่านยินยอมโดยไม่คำนึงถึงอวัยวะของตน เรกว่าให้เป็นการสมาทานรักษาอุโบสถอุโบสถพร้อมกับการให้อวัยวะพร้อมกับการสลัอวัยวะเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรักษาอุโบสถทุกครึ่งเดือนโดยทํานองนี้ล่วงไปตลอดการยาวนานเมื่อการผ่านไปอย่างนี้วันหนึ่งพราหมณ์เนศาสตร์คนหนึ่งพร้อมกับบุตรของตนชื่อว่าโสมทัศตได้ไปถึงที่นั้นก็ ในพรานนี่เข้าไปเห็นในพรานก็คือพระเทวทัตเรานี่แหละในเวลาอารุณขึ้นเห็นพระโพธิสัตว์แวดล้อมด้วยนางนาคกัญญาก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ท่านใดนั้นเองนางนาคกัญญาทั้งหลายก็ดำแผ่นดินเรียกว่ามุดแผ่นดินนี้ไปยังนาคพิภพพรามก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านเป็นใครท่านเป็นเทวดาเป็นยักษ์หรือเป็นนาคพระโพธิสัตว์คิดว่า หากพราหมณ์นี้รู้จักตนตามความเป็นจริงก็จะเพึงไปเสียจากที่นี้พึงทำการอยู่ของเราในที่นี้ให้ปรากฏแกมหาชนหมายค่ะว่าถ้าเราบอกเข้าไปนะพราหมณ์คนนี้ก็จะไปบอกหมู่มหาชนให้มหาชนเนี่ยรู้คนก็จะมาที่นี่นะเรื่องของเราก็จะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นจะพึงเป็นอันตรายต่อการรักษาอุโบสถของเราถ้าใคราเราจะพาพราหมณ์คนนี้ออกจากที่นี้ ไปสู่น้าคพิภพแล้วมอบสมบัติอันยิ่งใหญ่ให้พรามนั้นจักยินดีในหน้าคพิภพนั้นเป็นแน่ด้วยเหตุนั้นการรักษาอุโบสถของเราก็จะพึงอยู่ได้นานเนี่ยนะต้องการให้ตัวเองรักษาศีลในนานๆเข้าต้องการให้คนที่มาเห็นเนี่ยไปอยู่สเสวยสมบัติจะได้อยู่สบายเมื่ออยู่สบายแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อการรักษาศีลของตน ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกกับพรามว่าดูก่อนพรามเรานี่จะให้ยศอันยิ่งใหญ่แก่ท่านคือที่นาขพิภพนี่น่ารื่นรมม า, า, มาไปนาขพิภพกันเธอก็ชวนชวนนายพรามาชวนตะพรานเนี่ยนะชวนพรานไปอยู่เมืองนาคในพรานในพรานคนนั้นก็กล่าวว่านายข้าพเจ้ามีบุตรเมื่อเขามาข้าพเจ้าก็จักมาหมายเขาว่าถ้าหากว่าลูก มีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกชายอยู่ไปก็จะไปพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าพรามท่านจงไปนําบุตรของท่านมาเถิดพรามนั้นก็ไปบอกด้านแก่บุตรแล้วก็นําบุตรมาพระโพธิสัตว์ก็พาพ่อลูกทั้งสองคนนําไปสูน่นาคขภิภ พ, พ, พด้วยอนุภาพของตนอัตภาพที่เป็นทิพย์ก็ปรากฏแก่พ่อลูกในนาคขาิภ พ, พ, พไปถึงนั้นก็เหมือนกับเทวดาเลยนะไปเหมือนกับเทพพระบุตรสององค์ พระโพธิสัตว์ก็ประทานที่ผสมบัติให้แกสองพ่อลูกพระราชทานนางนาคให้คนละสีร้อยให้พ่อลูกเสเวยสมบัติอยู่อย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองนาคแม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทรงประมาทได้รักษาอุโบสถทุกกึ่งเดือ น, นรักษาศีลทุกๆสิบ้าวัน ได้ไปเยี่ยมพระมารดาปิดาแล้วก็กล่าวธรรมมถาให้พ่อแม่ฟังอ่ะนะจากนั้นก็ไปหาพราหมณ์สองพ่อลูกถามถึงสุขถึงทุกข์ตรัสว่าท่านพึงบอกถึงสิ่งที่ท่านต้องการท่านต้องการสิ่งใดอะไรก็บอกนะแล้วก็ตรัสต่อไปว่าถ้าหากว่าท่านไม่พอใจอะไรก็จงบอกทําการปฏิสันฐานกับโสมทัตโสมทั์แล้วก็เสด็จกลับไปที่ประทับ พรามคนนั้นเนี่ยนะอยู่ที่นาขพิภพนั้นได้หนึ่งปีเพราะความที่ตนเป็นคนบุญน้อยนะคนที่มีบุญน้อยเสวยสมบัติได้ไม่นานก็ไม่พอใจจะอยู่จึงพาบุตรไปอำลาพระโพธิสัตว์ไม่รับทรัพย์เป็นอันมากที่พระโพธิสัตว์ทรงให้แไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีซึ่งเป็นแก้วสารพัดนึกนึกอะไรก็ให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวง ไอ้ความที่ตนบุญน้อยเนี่ยนะเป็นคนไม่มีวาสนาก็เลยไม่รับเอาเลยนะให้แก้วอันเป็นทิพย์ก็ไม่เอาก็กล่าวว่านะหลอกพระโพธิสัตว์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยไปมนุษย์โลกแล้วจะบวชว่า ง, งั้นมาเห็นทรัพย์สมบัติของท่านว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เกิดจากบุญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้ากลับไปก็จะไปบวชแล้วเนี่ยนะเพื่อจะได้สมบัติเหล่านี้บ้างว่า ง, งั้นพระโพธิสัตว์ก็สั่งให้นาคมานบพรามพร้อมกับบุตรก็ส่งไปจนถึงมนุษย์โลก พ่อลูกทั้งสองเปลื้องเครื่องทิพย์ผ้าออกแล้วก็ลงสระบกกรณีเพื่อจะอาบน้ําในขณะนั้นเครื่องประดับและผ้าทิพย์ก็อันตรธานไปสู่หน้าคขปภนั่นเองผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมน้ําฝาดและผ้าเก่าที่ตนเคยนุ่งครั้งแรกก็สวมสวมลงในร่างกาย 2. พ่อลูกก็ถือธนูถือลูกศรหอกไปเป็นพรานป่าล่าเนื้อสําเร็จชีวิตอยู่ดังเดิม นนก็บุญน้อยเนี่ยนะเห็นพระพุทธสั์ครั้งหนึ่งเสวยสมบัติ1ปีเสวยสมบัติทิพย์หนึ่งปีแล้วก็หมดบุญพอหมดบุญทำไงต่อมาหาล่านกตกปลาต่อไปอีกนะ้ากลับไปทำบาปตามเก่าสมัยนั้นมีดาบทอยู่องค์หนึ่งดาบทคนนี้ก็สอนอารลำพายที่ได้จากพยาครุษและบอกโอสถอันสมควรแก่มนนั้นและมนทิพย์ นะให้โอสถ ด, ด้วยให้มนทิพย์แก่พราหมณ์คนหนึ่งที่มาบำรุงตนคือเขามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะไม่มีที่ไปก็เลยไปอยู่บำรุงฤสีปฏิบัติอุปถาฤสีฤสีก็เลยให้มนเนี่ยไปให้มนแล้วก็ให้โอสดให้ยาไปด้วยพราหมณ์คนนั้นคิดว่าเราได้อุบายเครื่องเลี้ยงชีพแล้วนะได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้อาชีพแล้วกนะก็เลยพักอยู่ที่นั้นสองสามวันอำลาดาบทไปถึงฝัง่งแม่นม้ำยมุนาโดยลาดับตัวเองก็พอ ไปถึงก็ท่องมนโดยนะท่องมนสาทยายมนนั้นเดินไปตามทางหลวงกเรกียกว่าเดินท่องมนไปเรื่อยไปเรื่อยนะครั้งนั้นนางนาคมานวิกาซึ่งเป็นปริจาริกาของพระโพธิสัตว์ถือเอาแก้วมณีอันเป็นแก้วสารพัดนึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการวางแก้วมณีไว้เหนือกองทรายณนะฝัง่งแม่น้ำยมุนาเพลิดเพ ล, เพลินในยามราตรีด้วยเสียงด้วยแสยงของแก้วมณีนั้น ตอนอรุณขึ้นได้ยินเสียงมนของพรามก็ตกใจกลัวด้วยสำคัญว่าเป็นครุดมาก็ไม่ถือเอาแก้วมณีไปด้วยมุดลงในแผ่นดินไปยังนาคขภิภพเนี่ยนะพรามนั้นเห็นแก้วมณีก็ถือเอาแก้วมณีนั้นไปในขณะนั้นเนศาสตร์พรามก็คือตาพรามผู้เป็นนายพรามเนี่ยนะไปในป่า ก, กับบุตรเพื่อจะล่าเนื้อเห็นแก้วมณีในมือพรามก็จำได้ว่าเป็นแก้วมณีสารพัดนึกของพระภูริทัตต์อยากจะได้แก้วมณีนั้น จึงทำเป็นสนทนาปราัยกับพรามนั้นก็รู้ว่าแก้วมณีนี้มีมนคลังจึงกล่าวว่าหากท่านให้แก้วมณีนี้แก่เราเราจะแสดงนาคที่มีอนุภาพมากแก่ท่านท่านพานาคนั้นไปไปเที่ยวยังหมู่บ้านนิคมและราชธานีจักได้สมบัติเป็นอันมากหมายค่ะว่าถ้าหากว่าท่านให้แก้วมณีเราเราจะไปบอกที่อยู่ของพญานาคให้แก่ท่านเมื่อพรามนั้นก็กล่าวว่าอาถ้าเช่นนั้นท่านจง จับมาแสดงเถิด น, นะช่วยบอกทีว่าไอ้ที่อยู่ของพญานาค น, นี่อยู่ที่ไหนนายพรานผู้เป็นพรามคนนี้ก็พาเอาพาพรามนั้นไปยืนอยู่ในที่ไม่ไกลชี้ให้ดูพระโพธิสัตว์ที่นอนขดขนดอยู่บนยอดจอมปลวกอันเป็นที่รักษาอุโบสถพระโพธิสัตว์เห็นพรามคนนั้นเออเห็นนายพรานคนนั้นก็คิดว่าเจ้าเนสาตเนสตเนี่ยแปลว่าพรานพรานปานเนี่ยนะ แม้เราเข้าไปยังหน้าคพิภพเราเนี่ยนาเข้าไปยังหน้าคพิภพเพราะเกรงว่าจะพึงทำอันตรายแก่อุโบสถของเราให้ดำรงอยู่ในมหาสมบัติก็ไม่ปรารถนาอยากจะหลีกออกจากหน้าคพิภพกลับไปเองใช่ต้องการแม้แก้วมณีที่เราจะให้สรุปว่าต้องการจะหลีกออกจากที่ตรงนั้นให้แก้วมณีไปก็ไม่เอาแต่บัตรนี้กลับพาคนคนจับงูมาหา หากเราโกรธคนประทุสร้ายมิตรคนนี้ศีลของเราก็จะขาดถ้าโกรธแล้วก็ฆ่าฆ่าอะไรนะฆ่าในพรานคนนี้ได้สบายแต่ว่าถ้าโกรธทําอย่างนั้นศีลก็จะขาดเราอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สีไว้ตั้งแต่แรกอุโบสถนั้นจงเป็นไปตามที่เราอธิษฐานไว้เถิดเจ้าอารามภายัย